คุณผู้ฟังคะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคที่วัดดอนทาตนะคะซึ่งได้มาทดสอบหลวงปู่ดีฉันโนจนแน่ใจแล้วค่ะว่าท่านเองก็ยอมมอบกายถวายให้กับพระพุทธศาสนาก็เลยยอมถอยเพื่อที่จะให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อไปนะคะ พูดถึงวัดดอนธาตุเดิมทีเป็นวัดร้างอยู่ที่ดอนกลางแม่น้ำมูลทางทิศใต้ของอำเภอพิบู์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีลงไป6กกิโลเมตรเป็นวัดร้างที่มีชื่อกล่าวขานกันว่าผีดุมากเลยล่ะค่ะคนผ่านไปผ่านมาจะถูกผีหลอกทั้งกลางวันและกลางคืน แล้วก็มีอีกคำร่ำลือหนึ่งค่ะบอกว่ามีงูใหญ่งอนแดงปรากฏตัวเล่นน้ำมูลอยู่ใกลๆ้ๆดอนนี้ทุกวันพระแล้วก็เลื้อยขึ้นจากน้ำหายไปในดอนนี้ชาวบ้านเรียกดอนนี้ว่าดอนธาตุเพราะว่าบนดอนเนี่ยเป็นวัดร้างมีพระธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่นะคะครั้งนั้นพระอาจารย์ดีฉันโญค่ะได้พาสมณีหงทองซึ่งเป็นหลานชายลงเรือไป โดยขอให้ชาวบ้านนะคะได้พายเรือไปส่งให้ที่ดอนธาตุซึ่งก็เป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ำมูลแล้วก็ได้ปักกลดในป่าวัดร้างบนเกาะแห่งนี้ซึ่งในคืนนั้นนะคะพระอาจารย์ดีได้นั่งสมาธิอยู่ในกลด แล้วก็ได้นิมิตร้ายค่ะเห็นพูดผีปีศาจค่ะก็เลยทราบสาเหตุนะคะด้วยสมาธิบอกว่าวัดร้างบนเกาะดอนาธาตุนี้เนี่ยมีผีดุจริงๆก็เลยออกจากกรดมาบอกสัมณเณรหงทองที่ปากกดอยู่ห่างๆว่าคืนนี้ห้ามนอนเด็ดขาดเพราะว่ามีโอปติกะก็คือวิญญาณร้ายดุมากด้วยยังไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนให้สมเณรเนี่ยนั่งสมาธิตลอดคืนแล้วก็จิตยึดมั่นอยู่กับสมาธิอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้นะคะหลวงปู่เองท่านก็ยังได้กําชับสัมมเนรซึ่งก็เป็นหลานชายของท่านเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามที่ได้ยินอยู่ข้างนอกเนี่ยคือให้วางเฉยนะแล้วก็ห้ามลุกหนีออกจากกรดเด็ดขาดให้นั่งบริกรรมภาวนาสู้ดึกสงัดคืนนั้นค่ะเป็นเวลาตีหนึ่งพระอาจารย์ดีนั่งเจริญสมาธิภาวนาก็ได้เกิดนิมิตค่ะเห็นงูใหญ่ตัวหนึ่งค่ะเลื้อยเข้ามาที่กรดแล้วก็หายไป ท่านพิจารณาดูนิมิตแล้วก็ไม่ประมาทได้กำหนดจิตสติเจริญภาวนาต่อไปท่านใดค่ะก็รู้สึกว่ามีเสียงเคลื่อนไหวอยู่นอกกรดนะคะนอกจากนั้นก็มีหัวงูขนาดใหญ่งอนสีแดงด้วยมุดเข้ามาในกรดก็เลยทำให้ท่านสะดุ้งในจิตรู้ได้ทันทีว่างูตัวนี้เนี่ยคือพญานาคมีอนุภาพมากเลยที่กล้ามุดเข้ามาในกรดของพระธุดงกรรมฐาน ซึ่งตามปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจเทวดาอารักษ์ทั้งหลายจะไม่กล้ากล่ำกลายเข้ามาในกรดของพระธุดงค์เลยเพราะว่าหวาดกลัวอำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณนะคะแต่ว่างูใหญ่หรือว่าพญานาคตัวนี้ค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่โตขนาดเท่าต้นหมากได้ใช้ลำตัวเนี่ยรัดร่างพระอาจารย์ไว้แน่นจนอึดอัดหายใจไม่ออกแทบจะขาดใจตายเลยท่านก็เลยพยายามกาหนดสติเจริญมารณ า, านุสตินะคะ หลวงปู่ท่านเองก็นึกถึงความตายนี่แหละค่ะเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราทั้งสองคนเนี่ยเคยเบียดเบียนกันมาแต่ชาติปางก่อนขอให้พญางูใหญ่กินเป็นอาหารแต่หากไม่เคยเบียดเบียนกันมาก่อนก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมอบชีวิตไว้กับพระศรีรันาตนตรัยแล้วก็จะขอปฏิบัติธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป พออธิษฐานจบค่ะคุณผู้ฟังก็เกิดอัศจรรย์งูใหญ่ได้คลายตัวออกแล้วก็ถอยออกไปแล้วก็หนีออกไปจากกรดยอย่างเงียบๆก็รู้ได้ด้วยกระแสะยานนะคะว่าพญานาคเนี่ยเป็นผู้รักษาวัด ร, ร้างแห่งนี้พญานาคเองได้มาทดลองใจดูเมื่อรู้ว่าท่านยอมถวายชีวิตให้กับพระาศาสนาพญานาค ก, ก็พอใจไม่ทาอันตราย ด้วยเหตุนี้เองนะคะพระอาจารย์ดีฉันโนก็เลยได้บูรณะวัดร้างแห่งนั้นขึ้นซึ่งเป็นวัดกรรมฐานที่ชื่อว่าวัดดอนธาตุแล้วก็ได้สร้างพระพุทธสยญาติขึ้นองค์หนึ่งด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของประวัตินะคะของพระอาจารย์ดีฉันโนเนี่ยท่านเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนเก้าคนของหลวงอินและก็แม่จันทราวงเสนาเกิดที่บ้านกุดน้ำใสอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2435ปีมะโรงประมาณพุทธศักราช2452ครอบครัวของบิดาได้ย้ายไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านกุดแห่อําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร จึงจัดเป็นตระกูลที่เก่าแก่หลักบ้านหลักเมืองตระกูลหนึ่งพระอาจารย์ดีเคยบรรพชาเป็นสัมมเนนเมื่ออายุ16ปีค่ะจนกระทั่งอายุ18ปีก็ได้ลาสิกขาออกมาช่วยงานทางบ้านทีนี้พออายุครบ20ปีก็ได้แต่งงานกับนางมีการสุขอยู่ด้วยกัน3ปีไม่มีบุตรแล้วก็ได้หย่าร้างกัน หลังจากนั้นนะคะก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกายโดยมีพระธรรมบาลวัดบ้านกุฎมะฮงเป็นพระอุปชาและเมื่อปีพุทธศักราชสองัก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองท่าแขกบ้านกุฎแห่จังหวัดยะโสธรจนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านกุฎแห่เป็นพระเถระนับพรรษาได้24พรรษาค่ะ วัดบ้านกุดแหในสมัยพระอาจารย์ดีนั้นนะคะเป็นวัดที่ได้ชื่อว่าเจริญที่สุดในถินนั้นมีสาราโรงธรรมที่มีเสาใหญ่ที่สุดวัดโดยรอบได้1เมตรถึง1 0อ่าต้นนะคะแล้วก็ท่านเองก็ได้สร้างหอไตรที่มีลวดลายวิจิตรสวยงามทั้งหลวงปู่เองเนี่ยนะคะก็ได้ประดิษฐ์นะคะเรียกว่าประดิษฐธรร ม, มาศแบบไทยเดิมสร้างกุฏิใหญ่สองหลัง เพราะว่าท่านมีความชำนาญในทางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างแกะสลักแล้วก็เขียนภาพรวมถึงช่างเหล็กช่างปูนช่างปั้นดินเผาช่างเครื่องหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเข็มขัดอ่านมา้ารองเท้ากระเป๋าหนังเป็นต้นค่ะอีกทั้งมีความรู้นะคะทางว่านยาแผนโบราณเก่งทั้งทางคาถาอาคมเชี่ยวชาญในการปราบผีทุกชนิดจนชาวบ้านตั้งฉายาให้ท่านว่าอาจารย์ดีผียา ธรรมยานนี่คือกลัวนะคะอีกทั้งเทศนาโวหารก็เฉียบคมค่ะโดยท่านมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลและก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากทีนี้ในปีพุทธศักราช 2,469 มีเหตุการณ์สำคัญของพระอาจารย์ดีที่ทำให้กองทัพธรรมสายของหลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลและก็หลวงปู่ใหญ่มั่นภูริทัตโตมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความศรัทธาอย่างสูง เหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นเพราะว่าพระเถระที่ชาวบ้านศรัทธา ม, มากสามองค์ได้มาขอยัติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธติดตามปฏิบัติธรรมไปกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้แก่พระอาจารย์ดีฉันโนพระอาจารย์เก่งอธิมุตตะโกและก็พระอาจารย์ศีลาอิสรโรนะคะ ทีนี้ในปี2469นี่แหละค่ะหลวงปู่ใหญ่สาวแล้วก็คณะท่านก็ได้พักจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านดงยางอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสิทธิอาวุโสองค์อื่นๆค่ะก็แยกพักจำพรรษาในที่ต่างๆส่วนหลวงปู่ใหญ่มั่นออกเดินทุดงไปที่ตำบลหนองลาดอําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร พระอาจารย์เก่งอธิมุตตะโกและก็พระอาจารย์ศรีลาอิสโรทั้งสององค์เนี่ยทั้งสองรูปเนี่ยนะคะได้ยินกิติศัพท์ทางธรรมของหลวงปู่ใหญ่เสาแล้วก็หลวงปูม่ม่นก็มีความสนใจค่ะ พอทราบว่าหลวงปู่ใหญ่มั่นมาพักอยู่ที่บ้านหนองลาดอําเภอวาริจภูมิจังหวัดสกลนครพระอาจารย์เก่งก็เลยได้ชวนพระอาจารย์ศรีลาพร้อมทั้งพระเนนลูกวัดไปฟังเทศและสนทนาไต่ถามปัญหาข้ออัดข้อธทมที่สงสัยค้างคาอยู่ในใจต่างๆมากมายพร้อมทั้งสังเกตข้อวัดของหลวงปู่ใหญ่มั่นอย่างใกล้ชิดจนเกิดความอัศจรรย์ใจในข้ออัดข้อธทำและจริยาวัดของท่านก็เลยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาค่ะ พระอาจารย์เก่งก็เลยได้นิมนต์หลวงปู่ใหญ่มั่นนี่ให้ไปโปรโดญาติโยมและก็พักจำพรรษาที่บ้านสามผงที่พรมนักของท่านพร้อมทั้งขอถวายตัวเป็นสิทธิ์อยู่ปฏิบัติธรรมใกล้ชิดจนเกิดผลประจักษ์ทางใจอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสรับรู้มาก่อนพระอาจารย์เก่งอธิมุตตโกในเวลานั้นอายุพรรษาถึง19บพรรษาแล้วเป็นพระเถราจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนแถบลุ่มแม่น้ําสงคราม โดยท่านเองก็เป็นเจ้าอาวาสวัดโพชยัยบ้านสามผงตําบลสามผงอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมค่ะและก็เป็นพระอุปชาเป็นเจ้าสํานักเรียนนักธรรมและก็บาลีนะคะแล้วก็เป็นครูใหญ่ท่านแรกของโรงเรียนประถ ม, มะศึกษาแห่งตําบลสามผงที่ตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ด้วยส่วนพระอาจารย์ศรีลาอิสโรเนี่ยท่านก็เป็นสหธรรมมิกองค์แรกเป็นชาวสกลนคร อายุพันษาเพียง1 7บเจ็ดพรนาพำนักอยู่ที่วัดโพชยัยซึ่งเป็นคนละแห่งกับพระอาจารย์เก่งซึ่งอยู่ที่ตำบลวาใหญ่อําเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะแล้วก็ในที่สุดนะคะพระอาจารย์เก่งและก็พระอาจารย์ศรีลาท่านก็ได้ตัดสินใจสละตำแหน่งแล้วก็ลาบยศต่างๆทั้งหมดแล้วขอยติใหม่เป็นพระธรรมยุทธในเดือนเจ็ด ปีพุทธศักราช2469พร้อมกับลูกศิษย์พระเนนก็ขอยัติตามหมดทั้งวัดเลยนะคะจำนวนพระภิกษุสา ม, มเณรที่ยัติใหม่เป็นพระธรรมยุทธ์ที่บ้านสามผงในครั้งนั้นมีมากถึง20รูปรวมทั้งสา ม, มเณรสิมวงเข็มมาหรือว่าหลวงปู่สิมพุทธวาจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องตำบลบ้านถ้ำอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาจากวัดศรีรัตนารามบ้านบัวตํบลสว่างอําเภอรพรนานิคมจังหวัดสกลนครอีกด้วยนะคะส่วนพระอาจารย์ดีในปีนั้นท่านได้ดันด้นบุกมาฟาด่งออกเสาะหาของดีของขลังจนมาถึงบ้านสามผงก็ได้รู้ได้ยินได้ฟังกิติศัพท์เกี่ยวกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็เลยเข้าไปกราบขอฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยจนประจักษ์ผลทางใจอย่างน่าอัศจรรย์และในที่สุดค่ะ หลวงปู่ดีท่านก็สละตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านกุดแห่หรือว่าวัดสีบุญเรืองท่าแขกนี่แหละนะคะเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในสมัยนั้นและก็ได้ออกทุดงติดตามคณะกองทัพธรรมไปจนได้ยติใหม่เป็นพระธรรมยุทธเมื่อปีพุทธศักราช2470ที่วัดสว่างโสกหรือว่าวัดสีธรรมารามจังหวัดยโสธรในปัจจุบันและก็เป็นสิทธิอุ ป, ปถากหลวงปู่ใหญ่เสาจนถึงวาระสุดท้ายของหลวงปู่ใหญ่ท่าน ในพรรษานั้นนะคะจึงเป็นการประกาศทำชนิดที่พลิกแผ่นดินที่บ้านสามผงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมค่ะทำให้ชื่อเสียงของหลวงปู่ใหญ่สาวกันตาสีโลและก็หลวงปู่ใหญ่มั่นภูริทัตโตพร้อมทั้งกิจดิท์ของกองทัพธรรมพระกรรมฐานลือเรื่องกระเดื่องไกลเป็นที่อัศจรรย์ร่าลือของผู้คนในแถบนั้นถึงกับกล่าวนะคะว่า หลวงปู่ใหญ่ทั้งสององค์เป็นพระผู้วิเศษทำให้พระดังถึงสามองค์ยินยอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์ได้หลังจากนั้นนะคะพระอาจารย์ดีก็ได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ทมปฏิบัติในกองทัพพระกรรมฐานตลอดทั้งภาคอีสานค่ะรวมถึงฝั่งซ้ายของแม่น้ำโของอีกด้วย พอออกพรรษาแล้วนะคะหลวงปู่ใหญ่มั่นท่านก็ได้พาคณะเดินทางมาที่บ้านโนนดงอำเภอท่าอูเทนซึ่งปัจจุบันอยู่ในกิ่งอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมค่ะพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรประมาณ70รูปต่อมาก็ได้มีการประชุมหารือกันในเรื่องที่จะไปเผยแผ่ธรรมแล้วก็ไปโปรดเทศนาศรัทธายาตโยมที่เมืองอุบลราชธานีแล้วก็ได้วางกฎ ร, ระเบียบในการปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ในป่า เกี่ยวกับการตั้งสัมนักปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางแล้วก็แนะนำสั่งสอนปฏิบัติจิตเพื่อให้คณะสิทธิญาฤกษ์ของท่านเนี่นาไปปฏิบัติให้เป็นระเบียบเดียวกันซึ่งหลังจากนั้นนะคะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเองค่ะท่านก็ได้ปรารภนะคะเรื่องจะนําโยมมารดาของท่านซึ่งบวชเป็นแม่ชีไปส่งมอบให้กับน้องสาวท่านที่จังหวัดอุบลราชธานีช่วยดูแลเพราะเห็นว่าโยมมารดาท่านชรามากอายุก็78ปีแล้ว ซึ่งเกินความสามารถของท่านผู้เป็นพระปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติได้แล้วพระอาจารย์สิงขันตยาขโมและก็พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพระโลต่างก็รับรองเอาโยมมานดาท่านไปส่งด้วยโด้วยเพราะว่าโยมมานดาของหลวงปู่ใหญ่มั่นแก่มากหมดกําลังต้องเดินทางไปด้วยเกวียนจึงจะไปถึงเมืองอุบลราชธานีได้ หลังจากที่พระอาจารย์ดีได้เข้ารับฟังธรรมะก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ใหญ่มั่นอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ได้กลับไปอยู่ที่วัดบ้านกุดแห่ซึ่งเป็นบ้านเกิดดังเดิมแล้วก็ได้อบรมธรรมปฏิบัติให้กับชาวบ้านกุดแห่แต่ก็ได้เกิดปัญหาบางประการขึ้นค่ะคือเมื่อท่านได้สอนธรรมข้อปฏิบัติให้ญาติโยมทั้งหลายไปแล้วแต่ญาติโยมบางคนเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วได้เกิดวิปัสสุกิเลสก็คือมีอันเป็นไปต่างๆ บางพวกนะออกจากการภาวนาเดินไปถึงสี่แยกเกิดเข้าใจเอาเองว่าเป็นทางเดินของสมเด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระอาหารหันตเจ้าพวกนี้จะพากันคุกเข่ากราบไหวยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานจึงได้ลุกเดินไปบ้างพอไปถึงสี่แยกครั้างหน้าก็เข้าใจผิดค่ะแล้วก็ปฏิบัติเช่นนี้อีกเรื่อยๆบางคนเนี่ยลุกจากการภาวนาได้ก็ถอดผ้าถอดผ่อน ออกจนหมดเลยเดินฝ่าญาติโยมที่นั่งภาวนาอยู่ด้วยกันเกิดโกราหุนเป็นการใหญ่มีญาติโยมบางคนกราบไหว้พระอาจารย์ดีให้ท่านเนี่ยไปช่วยแก้ไขให้ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ไขยอย่างไรเป็นเหตุให้กระวนกระวายใจเกือบปีเลยนะคะที่นี่บังเอิญว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรซึ่งท่านได้ออกติดตามหลวงปู่ใหญ่มั่นไปส่งโยมมารดาอของหลวงปู่มั่นกลับเมืองอุบล แล้วก็ได้เดินทางมาเยี่ยมพระอาจารย์ดีที่บ้านกุดแห่ค่ะเมื่อหลวงปู่ฟั่นเดินทางมาถึงนะคะพระอาจารย์ดีก็ได้ต้อนรับขับสู้พระอาจารย์ฟั่นอย่างแข็งขันจากการถามสารทุกสุขดิบพระอาจารย์ดีก็ได้แสดงความวิตกกังวลต่อพระอาจารย์ฟัน่นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยเกิดปัญหาในการปฏิบัติธรรมที่กล่าวข้างต้นก็เลยขอความการุณาให้พระอาจารย์ฟัน่นช่วยแก้ไขให้ด้วย พระอาจารย์ฟั่นตรองหาทางแก้ไขยอยู่ไม่นานนะักก็รับปากนะคะพระอาจารย์ดีก็เลยให้เนเ น, เนเนี่ยเข้าไปเป่าร้องในหมู่บ้านให้บรรดาญาติโยมไปฟังธรรมโอวาทของพระอาจารย์ฟั่นที่วัดในตอนคำ่ำพอถึงเวลานัดค่ะญาติโยมทั้งหลายก็หลั่งไหลเข้ามาในวัดเริ่มแรกพระอาจารย์ฟัน่นให้ญาติโยมเหล่านั้นยึดพระไตรศรณะเป็นที่พึ่ง และเมื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยแล้วท่านก็ได้เริ่มเทศนาให้รู้จักแก้ไขข้อบกพร่องของตนนะคะเมื่อญาติโยมเข้าใจวิธีแก้แล้วท่านก็นําเข้าที่ภาวนาและเมื่อเห็นผู้ใดกําหนดจิตไม่ถูกต้องท่านก็เตือนขณะเดียวกันท่านก็กําหนดจิตติดตามกํากับจิตของญาติโยมเหล่านั้นไปด้วยญาติโยมที่เคยกําหนดจิตหลงทาง ต่างก็กลับมาเดินถูกทางไปทั้งหมดพอเลิกจากการภาวนาค่ะต่างก็สาธุการแล้วก็แซ่ซ้องยินดีโดยทั่วกันพากันกราบไหว้เคารพนะคะบอกว่าท่านพระอาจารย์ฟาดเนี่ยช่างเข้าใจวิธีแก้ได้เก่งมากหากไม่ได้ท่านพวกเขาอาจถึงกับเสียจริตไปเลยก็ได้ ที่นี้พระอาจารย์ฟัานนะคะก็ได้นำพายาทยมภาวนาติดต่อกันไปจนถึง5วัน5คืนเลยและเมื่อเห็นว่าต่างก็เดินถูกทางกันแล้วท่านก็กลับมากราบเรียนหลวงปู่ใหญ่มั่นที่บ้านหนองขอนให้ทราบถึงเรื่องราวที่ได้ปฏิบัติไปในครั้งนั้นนะคะเมื่อท่านพระอาจารย์ดีทราบว่าหลวงปู่ใหญ่มั่นกาลังเดินทางไปสู่จังหวัดอุบล เพื่อที่จะส่งโยมมานดากลับบ้านเกิดนะคะแล้วก็อยู่โปรดชาวจังหวัดอุบลในแถบนั้นก็ได้เดินทางตามหลวงปู่ใหญ่มั่นมาแล้วก็ได้อยู่ที่จังหวัดอุบลจนกระทั่งออกพรรษาแล้วประมาณเดือนสามหรือเดือนสีนี่แหละนะคะหลวงปู่ใหญ่ม่นก็ได้ออกเดินทางต่อไปอยังกรุงเทพกับพระปัญญาพิสารเถระหรือว่าหลวงปู่หนูทิตาปัญโยค่ะ จำพรรษาที่วัดสะปทุมก็คือวัดปทุมวนารามในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็ได้ติดตามพระอุบาลีคุณูปมาจารย์หรือว่าหลวงปู่จันทริจันโท ไปจำพรรษายังจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยก่อนจะไปกรุงเทพเนี่หลวงปู่ใหญ่มั่นก็ได้เรียกประชุมคณะสิทธยาณุสิทธิ์แล้วก็ได้มอบหมายให้อำนาจพระอาจารย์สิงห์และก็พระอาจารย์มหาปิ่นเป็นผู้บริหารปกครองแนะนําพร่ำสอนตามแนวทางที่ท่านได้แนะนํามาแล้วก็ต่อไปนะคะ ในปีพุทธศักราช2471ค่ะระหว่างนี้หลวงปู่สิงห์และก็พระมหาปิ่นกับพระภิกษุสา ม, มเณรรวมกันถึง80รูปได้เดินทางเที่ยววิเวกไปในสถานที่ต่างๆก็ได้เที่ยวเทศนาอบรมศิลธรรมให้กับประชาชนโดยการขอร้องของเจ้าเมืองอุบลค่ะเมื่อจวนเข้าพรรษาก็ได้ไปพักจำพรรษาอยู่วัดบ้านหัวงวัวตำบลกำแมอำ่อกุดชุมจยโสธรซึ่งเป็นบ้านญาติของท่าน ในช่วงที่หลวงปู่สิงและก็พระมหาปิ่นพักจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหัวงวจังหวัดเยะโสธรท่านก็ได้ทราบข่าวจากพระครูพิสารอารัญญะเขตหรือว่าหลวงปู่จันเขมิโยปท .3 สนะคะเจ้าคณะธรรมยุท์จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จะเอาวัดวัดศรีจัน หรือว่าวัดศรีจันทราวาสตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นญาติของท่านด้วยว่าทางจังหวัดขอนแก่นไม่มีเหตุการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักซึ่งขณะนั้นก็คือพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรซึ่งจําพรรษาอยู่สํานักสงฆ์ที่หนองน่องนะคะบ้านห้วยทรายอําเภอคําชะอี จังหวัดนครพนมก็ได้มากราบนมั ส, สการแล้วก็ได้ร่วมปรึกษาหารือกับหลวงปู่สิงห์และก็พระมหาปิ่นในเรื่องดังกล่าวแล้วก็พิจารณาเห็นควรลงไปช่วยพระครูพิสารอรัญยเขตหรือว่าหลวงปู่จันทร์นี่แหละที่นี้เมื่อเห็นพ้องต้องกันแล้วก็แยกย้ายกันออกเดินทางโดยกําหนดให้ไปพบกันก่อนเข้าพรรษาที่วัดป่าเหล่างนาหรือว่าวัดป่าวิเวกธรรมวิทยารามตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ และเมื่อเป็นดังนั้นชาวอำเภอเยสโสทรในขณะนั้นนะคะมีพระอาจารย์รินพระอาจารย์แดงพระอาจารย์อ่อนตาซึ่งเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยชาวบ้านร้านตลาดได้จ้างเหมารถยนต์ให้สองคันหลวงปู่สิงห์พระมหาปิ่นและคณะ ได้พากันออกเดินทางจากอำเภอเยโซทอนโดยทางรถยนต์ไปพักแรมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดหคืนแล้วก็ออกเดินทางไปพักอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามที่ดอนปู่ตาที่ชาวบ้านกล่าวกันนักนาและค่ะว่าผีดุมีชาวบ้านร้านตลาดแล้วก็ข้าราชการมาฟังเทศฟังธรรมกันมากมายจากนั้นก็เดินทางต่อไปจนถึงบ้านโนนยางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งตรงกับเดือน3แรมหกค่ำ แล้วก็ได้ไปร่วมกันอยู่ที่วัดป่าเหล่างาหรือวัดป่าวิเวกธรรมวิทยารามซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองขอนแก่นนะคะและทีนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อมาถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วคณะหลวงปู่สิงและก็พระมหาปิ่นค่ะก็ได้พบเหตุการณ์ไม่ค่อยสู้ดีตามที่พระครูพิสารอรัญยเขตได้ว่าไวเนี่ยค่ะดังปรากฏไว้ในหนังสืออัตโนประวัติพระอาจารย์อ่อนญาณาิริซึ่งในสมัยนั้นท่านได้ร่วมอยู่ในคณะด้วยท่านได้เขียนว่า ข้าพระเจ้าได้พักอยู่กับพระอาจารย์สิงห์ฟังเสียงพวกโยมคนเมืองขอนแก่นไม่เคยเห็นพระกรรมฐานตื่นเต้นกล่าวร้ายติเตียนกันไปสารพัดต่างๆนานาไม่ใช่เขาตื่นเต้นไปในทางกลัวทางเสื่อมเสียดังพวกชาวเมืองราชครุตตื่นเต้นคราวได้เห็นพระพุทธเจ้าออกบรรพชาใหม่ไปเที่ยวบินทบาทนั้นโยมคนเมืองขอนแก่นนก็พากันตื่นเต้นอย่างเห็นพระกรรมฐานเป็นสัตว์เรียกพวกพระกรรมฐานว่าพวกบักเหลือง คำว่าบักเหลืองนี้เขาว่าพระกรรมฐานทั้งหลายเป็นงูจงอางอีล่าคางเหลืองฉะนั้นจึงมีคนเขาออกมาดูพวกพระกรรมฐานเขาก็จำต้องมีมือถือไม้ค้อนกันมาแทบทุกคนเมื่อมาถึงหมู่พวกข้าแล้วเขาถือไม้ค้อนเดินไปมาเที่ยวดูพระเนนที่พากันพักอยู่ตามร่มไม้แล้วก็ร้านที่เอากิ่งไม้แอมแล้วก็มุงนั้นไปไปมามาแล้วก็ยืนเอาไม้ค้อนค้ําเอว ไปยืนดูกันอยู่ก็มีพอควรแล้วก็พากันกลับบ้านร้องว่าเห็นแล้วละ่ะพวกบกเหลืองพวกอีล่าคลางเหลืองพวกมันมาแหนแหนคําว่าแหนคือแทะนะคะพวกมันมาแหนหัวผีหล่อนก็คือกระโหลกอยู่ป่าช้าโคกเหลางามันเป็นพวกแม่แง้งไปอยู่ที่ไหนฝนฟ้าไม่ตกเลยจงให้มันพากันหนี ถ้าพวกบกเหลืองไม่หนีภายใน 3-4 มสี่วันนี้ต้องได้ถูกงาไม้ไผ่ค้อนไม้สแกไปฟาดหัวมันดังนี้ไปต่างๆนาๆจากนี้ไปก็มีเขียนหนังสือปักฉลากบอกให้หนีถ้าไม่หนีก็จะเอาลูกทองแดงมายิงบูชาละดังนี้เป็นต้นพอไปบินทบาตก็ไม่มีใครยินดีใส่บาทให้ฉันจนหลวงปู่สิงห์ภาวนาคาถาอุณหัสวิชัยว่าแรงไปเลยบอกว่าตาบดบอดหูหนวกหนวกปากากึกากึ ไปตามทางบินธบัตนั่นแหละทั้งมีแยกกันไปบินธบาติตามตรอกตามบันไดเรือนไปเลยจึงพอได้ฉันบ้างทั้งพระอาจารย์ก็มีการประชุมลูกศิษย์วันสองวันต่อครั้งก็มีท่านให้อวาสแก่พวกลูกศิษย์ได้มีความอุ่นใจไม่ให้มีความหวาดกลัวอยู่เสมอแต่ว่าตัวข้าก็ได้อาศัยพิจารณากำหนดจิตตั้งอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าธทำโมหะเวรักคติธรรมจารีนี้อยู่เรื่อยไป ที่นี้นะคะคุณผู้ฟังที่วัดป่าเหล่างาซึ่งปัจจุบันก็คือวัดป่าวิเวกธรรมวิทยารามนี่แหละพระปฏิบัติสัตยธรรมชุดนี้ได้ประชุมตกลงให้แยกย้ายกันไปตั้งเป็นสำนักสงฆ์วัดป่ า, าฝ่ายอารัญญาสีอรัญญาวาสีขึ้นนะคะหลายแห่งในจังหวัดขอนแก่นค่ะก็เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาธุระเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ละมิจฉาทิฐิ เลิกจากการเคารพนับถือพูดผีปิศาจแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในพระไตราสารนคมโดยได้แยกกันอยู่จำพรรษาตามสำนักสงฆ์ต่างๆดังต่อไปนี้นะคะพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์ภูมมีพระอาจารย์กงมาพระอาจารย์หลุยอยู่จำพรรษาที่วัดป่าเหล่างาแล้วก็พระอาจารย์มหาปิ่นพระอาจารย์อ่อนนะคะอยู่จาพรรษาที่สานักสงฆ์วัดป่าบ้านพระคือจังหวัดขอนแก่น พ ร, ร сама, Seriously. พระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะอยู่จําพรรษาที่สํานักสงฆ์วัดป่าบ้านผือจังหวัดขอนแก่นพระอาจารย์เกิ่งนะคะอยู่จําพรรษาที่วัดสำนักสงฆ์วัดป่าชายวันบ้านสีฐานจังหวัดขอนแก่นนะคะพระอาจารย์ศรีลาค่ะก็อยู่จำพรรษาที่สํานักสงฆ์วัดป่าบ้านคํำไฮทีนี้พระอาจารย์อุ่นนะคก็จําพรรษาอยู่ที่สํานักสงฆ์วัดป่าบ้านทุ่งพระอาจารย์ดีก็อยู่จําพรรษาที่วัดป่าบ้านโคกโจด พระอาจารย์ชามาก็อยู่ที่วัดวัดป่าบ้านยางคำแล้วก็พระอาจารย์นินนะคะก็ได้อยู่จำพรรษานะคะที่ สำนักสงฆ์วัดป่าสุ ม, มนาใหม่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลแล้วก็พระอุปชาในท้องถิ่นอำเภอพระลับจังหวัดขอนแก่นก็ได้ออกมาเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ละมิจฉาทิฐิเลิกจากการเคารพนับถือพูดผีปีศาจแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในพระไตสรสารคคมทุกปีตลอดเป็นเวลา3ปีเลยนะคะที่นี้ หลวงพ่อชาสุภัฒโทค่ะก็ได้เล่าเรื่องของพระอาจารย์ดีไว้ในเทศของท่านตอนหนึ่งเหมือนกันท่านบอกว่าพระอาจารย์ดีเนี่ยเป็นคู่ ก, กันกับพระอาจารย์ทองรัตน์เป็นพระกรรมฐานรุ่นกลางไม่ใช่รุ่นแรกนะที่เป็นสิทธิ์ที่เป็นสิธทธิ์ธของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเที่ยวบิณฑบาตไปฉันตามบ้านป่าบางทีนะคะบางบ้านนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยพระไปบิณฑบาตก็ไม่ใส่ใส่แต่ข้าวจะเอาอาหารใส่บาตรหรือก็ไม่เคยทํากัน บางแห่งก็บอกว่าพระตําอ่ากรรมฐานเนี่ยท่านฉันแต่หวานอย่างอื่นท่านไม่ฉันหรอกพอไปบินธบาตตามบ้านเขาก็เลยเอาข้าวเปล่าใส่เท่านั้นแหละนะคะพระจะไปบอกให้เอ้ยเอาอาหารใส่บาทเอานุ่นใส่บาทมันก็เป็นอาบัตหลวงปู่ชาเล่านะคะบางที่พระไปพักอยู่เป็นเดือนเดืนเขาก็ไม่เข้าใจกันทีนี้ท่านอาจารย์ดีเนี่ยท่านไปบินธบาตในบ้านที่ยังไม่เคยไปโยมก็ใส่แต่ข้าว ตอนฉันจังหันเขาก็ตามไปค่ะท่านก็ฉันจังหันอยู่อย่างนั้นแหละฉันแต่ข้าวเปล่าๆนี่แหละเพราะว่าของมันอยู่ในบาทโยมเขาก็มองไม่เห็นเนาะเห็นพระเอามือล้วงลงไปท่านก็เอาขึ้นมาฉันสบายๆก็นึกว่าอาหารท่านเยอะแยะแล้วท่านอาจารย์ดีท่านฉันข้าวเปล่าอยู่เจ็ดวันท่านก็คิดว่าเอจะทำยังไงดีเนาะ พระกรรมฐานเนี่ยท่านมีปัญญาพอสมควรเหมือนกันนะคุณผู้ฟังวันหนึ่งค่ะท่านก็เลยเอาฝาบาสนี่หงายขึ้นจับเอากาน้ํามารินใส่มีแต่น้ําเท่านั้นแหละโยมก็ตามมานั่งอยู่จะมาฟังทำท่านก็เอาเข้าวเหนียวมาปั้นแล้วก็จิ้มกับน้ําในฝาบาต ท, ที่รินจากกาน้ําและท่านก็ฉันเข้าไปโยมก็มองไปท่านก็ฉันของท่านไปเรื่อยโยมก็สงสัยบอกเอา้าหลวงพ่อทําไมฉันอย่างนั้นเล่า ทำไมไม่ฉันกับพวกกับข้าวไปฉันกับน้ำทำไมท่านก็บอกว่ามันมีแบบนี้ฉันก็ฉันแบบนี้แหละโยมก็ว่าฉันพริกฉันปราไม่ได้หรือถ้ามันมีน่ะมันก็ได้พระอาจารย์ดีตอบนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังมันช่างเพาะเหลือเกินนะท่านเอาข้าวในบาทในมาจิ้มน้ำเปล่าอยู่นั่นแหละนี่คือจะสอนเอากันถึงขนาดนั้นทีนี้พอรู้ข้าโอ้โหประชาชนที่ไปนั่งเฝ้าชาวบ้านที่ไปนั่งรอเนี่ย เราเนี่ยบาปแล้วให้พระฉันข้าวกับน้ำเปล่าอยู่ถึง15วันแล้วเนี่ยความไม่รู้เรื่องมันเป็นแบบนี้คนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยสอนยากสอนเย็น้อนลำบากลำบนนะคะทีนี้ในปี2476ค่ะจนถึงปี2478เพระอาจารย์ดีฉันโนท่านก็พักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศิลาวิเวกตาบลในเมืองอาเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร แล้วก็ในช่วงนี้ท่านได้รับสิทธ์ก็คือพระอาจารย์ถินทิตะธรรมโมซึ่งมาเป็นสิทธิ์ของท่านตั้งแต่ยังเป็นสั ม, มเนนอยู่ตอนอายุ18ปีนะคะแล้วก็ได้รับการฝึกอบรมวิธีการบําเพ็ญเพียรภาวนาสมาธิแล้วก็กรรมาฐานจากพระอาจารย์ดีมาโดยตลอดจนกระทั่งได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ค่ะทีนี้เร า, าพูดถึงเรื่องของหลวงปู่ดีนะคะท่านได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่ใหญ่หรือว่าหลวงปู่เสานะคะที่เป็นพระอาจารย์ของท่านหลวงปู่ดีฉันโนเนี่ยได้มีโอกาสกราบแล้วก็ถวายตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ใหญ่เสากันตาสีโลจนกระทั่งได้ออกทุดงติดตามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2479ไปจนตลอดอายุไขของหลวงปู่เสาพระอาจารย์ดีก็ได้ติดตามหลวงปู่ใหญ่เสาไปจังหวัดอุบลแล้วก็ไปพำนักอยู่กับท่านที่บ้านขาคมซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่ใหญ่นะคะ ต่อมาก็ได้ทุดงไปที่อำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็มีคณะญาติโยมชาวบ้านศรัทธาถวายที่ดินให้หลวงปู่ใหญ่เนี่ยสร้างเป็นวัดกรรมฐานขึ้นชื่อว่าวัดภูเขาแก้วที่อำเภอพิบูลมังสาหารหลวงปู่ใหญ่สาวกันตาสีโลท่านก็ได้พาคณะมาพำนักที่วัดภูเขาแก้วซึ่งแต่เดิมคือป่าช้าภูดินตั้งอยู่บนเนินสูงก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอพิบูลมังสาหารค่ะสําหรับประวัติการก่อตั้งวัดภูเขาแก้วนั้นเนี่ย มีอยู่นะคะว่าเมื่อปี2480เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้ขอร้องให้หลวงปู่ใหญ่พิจารณาหาหนทางสร้างวัดป่ากรรมฐานขึ้นที่อำเภอพิบูร์มังสาหารด้วยปรากฏว่า ญ, ญาติพี่น้องของเจ้าประคุณสมเด็จเนี่ยท่านได้อพยพมาจากบ้านแคนอำเภอดอนมดแดงมาปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านโพตากอำเภอพิบู์มังสาหารเป็นจานวนมาก เจ้าประคุณสมเด็จเองท่านก็อยากให้มีวัดกรรมฐานเพื่อช่วยอบรมสั่งสอนทางธรรมให้ญาติโยมของท่านได้รับแสงสว่างหายมืดหายบอดสักทีและเพื่อโปรโดญาติโยมชาวบ้านทั้งหลายให้มีสถานที่บำเพ็ญบุญเป็นศูนย์รวมปฏิบัติธรรมอบรมทางจิตนะคะก็เลยบัญชาให้พระอาจารย์เสงเหยมและก็พระอาจารย์ดีมาตั้งสานักปฏิบัติธรรมในสถานที่ดังกล่าวโดยเจ้าประคุณสมเด็จก็ได้ให้ความสนับสนุน ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่นี้ว่าวัดป่าหรือว่าวัดป่าภูเขาแก้วหรือวัดภูเขาแก้วในปัจจุบันนั่นเองค่ะแต่ว่าอีกข้อมูลหนึ่งกระแสหนึ่งก็กล่าวว่าขุนสิริสมานการกับนายคําการเป็นผู้มานิมนฑลหลวงปู่ใหญ่เสาท่านก็เลยได้ให้พระอาจารย์เสงี่ยมแล้วก็พระอาจารย์ดีเนี่ยมาตั้งสานักปฏิบัติธรรมอยู่ที่เนินป่าภูดินนอกเมืองพิบูลมังสาหาร ซึ่งก็เล่ากันนะค่ะว่าเป็นที่อาถรรพ์ร้ายแรงเพียงคืนแรกไปปักหลดอยู่ใต้ร่มไม้พระอาจารย์ทั้งสองนี่ก็โดนลองดีซะแล้วกล่าวกันต่อมาค่ะว่าพระอาจารย์ทั้งสองได้นำพาคณะศรัทธาชาวบ้านญาติโยมละแวกนั้นทําบุญทาทานรักษาศีลปฏิบัติภาวนาและก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนผู้ล่วงลับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เทพเทวดาอารัก การสร้างวัดก็เลยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยประกอบกับการสนับสนุนของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะคะด้วยวัดภูเขาแก้วนี้ก็เลยมีความเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับค่ะ สำหรับเจ้าอาวาสองแรกหรือว่ารูปแรกของวัดแห่งนี้ก็คือพระอาจารย์ดีฉันโณต่อมาก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรเป็นองค์ที่สองหลวงพ่อโชติอาภักโคหรือว่าพระครูวิบูลธรรมาพานเป็นเจ้าอาวาสในรูปปัจจุบันแล้วก็เจ้าคณะอาเภอพิบู์มังสาหารฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะ หลวงปู่ใหญ่สามอบให้พระอาจารย์ดีเป็นจเจ้าอาวาสวัดภูเขาแก้วแล้วท่านก็ไปสร้างวัดใหม่บนเกาะกลางแม่น้ำมูลที่ชื่อว่าวัดดอนธาตุแล้วก็พำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นวัดสุดท้ายในชีวิตของท่านนั่นเองนะคะเหมือนเรื่องที่บีเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เป็นตอนแรกเลยที่บอกว่าเจอพญานาคมาลองดีนั่นเองนะคะ ส่วนเรื่องของวัดดอนธาตุนี้ค่ะคุณผู้ฟังขออนุญาตขยายความอีกนิดหนึ่งเมื่อปี2481ค่ะหลวงปู่ใหญ่เสาท่านได้รับนิมนต์จากแม่ชีผุยโกสนลวิทย์ในงานฉลองสาราวัดภูเขาแก้วที่คณะสัทธาชาวเมืองพิบูลมังสาหารสร้างถวายหลังจากงานฉลองสารา 4-5 วันนี่แหละหลวงปู่ใหญ่เสาก็ปรารบกับลูกศิษย์ว่าอันว่าลำน้ามูลตอนใต้เมืองพิบูลนี้ องค์ท่านยังไม่เคยไปตามเกาะแก่งน้อยใหญ่ทั้งหลายนั้นจะมีผู้ใดอาสาพาไปสำรวจดูบ้างก็เลยมีลูกศิษย์ฝ่ายคาววดผู้หนึ่งค่ะขันอาสาพาไปนั่นก็คือขุนสิริสมันการซึ่งเป็นอดีตในอำเภอพี่บุญมังสาหารและก็มีพ่อใหญ่บับพ่อใหญ่ครูคำดีพ่อใหญ่พุทธซานะคะซึ่งพาไปทีนี้เมื่อถึงวันออกเดินทางค่ะคณะลูกศิษย์ก็ได้จัดเตรียมเรือไว้หลายลำเลย คอยอยู่ที่ท่าน้ําใต้แก่งสะพือลงไปตอนเช้าหลังฉันจันหันเสร็จก็ได้ออกเดินทางหลวงปู่ใหญ่เสาท่านก็ได้นั่งรถ3ล้อถีบมาอยู่แลมารออยู่แล้วนะคะคณะพระเนนที่ไปด้วยก็มีพระอาจา ร, รย์ดีพระอาจา ร, รย์กงแก้วพระอาจา ร, รย์บัวพาพระอาจา ร, รย์บุญเพง่งส ม, มนเณรหงทองและก็ส ม, มนเณรปุ่นนะคะก็พากันเดินตาม3ล้อหลวงปู่ใหญ่ไปลงเรือไปรอรับอยู่สี่ห้าลำมีทั้งเรือแจวเรือพาย กองเรือได้ออกจากท่าล่องตามลำน้ำมูลไปทางทิศตะวันออกผ่านบ้านแก่งเจริญบ้านหินสงบ้านหินลาดบ้านไก่เขียบ้านซาดจนถึงดอนคับพวงค่ะแล้วก็แวะขึ้นไปเดินสำรวจดูแล้วต่อไปยังดอนธาดดอนตากไฮดอนเลี้ยวจนตะวันบ่ายคล้อยแล้ว4ี่หโมงเย็นท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มฝนก็เริ่มตั้งเขาก็เลยจอดเรือแล้วก็ขนบาดขนบริขารขึ้นไปพักที่ศาลาท่าน้า วัดบ้านหัวดอนของพระอุปชารัฐนะคะเย็นวันนั้นค่ะฝนก็พัดกันโชคแรงอื้ออึงก็เลยได้พากันเคลื่อนย้ายไปขอพักยังสาราวัดบ้านดอนอ่าบ้านหัวดอนที่อยู่ใกล้กันนั้นน่ยนะคะซึ่งตอนนั้นค่ะพระอุปชารัฐ ผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสนี่ท่านไม่อยู่พระลูกวัดก็เลยนิมนต์หลวงปู่ใหญ่เสาแล้วก็คณะไปพักที่ศาลาการประเรียนแล้วก็ส่งข่าวให้ผู้ใหญ่บ้านหัวเคาะหัวดอนบ้านทรายมูลแล้วก็ชาวบ้านละแวกทรายมูลเนี่ยนะคะได้ทราบผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บรรดาลูกบ้านต่างก็พากันมากราบหลวงปู่ใหญ่เป็นจํานวนมากในฐานะที่หลวงปู่ใหญ่เนี่ยเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์ดีซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาอยู่แล้ว ที่นี้หลวงปู่ใหญ่ท่านก็นําพาคณะชาวบ้านนี้สวดมนต์ไหว้พระรับศีลแล้วก็ให้พระอาจารย์ดีแสดงธรรมโปรดชาวบ้านจนดึกดื่นเป็นที่ทราบซึ้งแล้วก็สร้างความศรัทธาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเมื่อชาวบ้านทราบเรื่องราวแล้วก็กิติศัพท์ในทางธรรมของหลวงปู่ใหญ่แล้วก็คณะพระกรรมฐานก็ได้พากันอาราธนานิมนต์ให้อยู่เผยแผ่ธรรมโปรดคณะศรัทธาชาวบ้านในแถบถิ่นนั้น พอรุ่งเช้าหลวงปู่ใหญ่ก็ได้นำพาพระเนรออกบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านหัวดอนและก็บ้านทรายมูลก็ได้พากันมาถวายจังหันเป็นจานวนมากค่ะพอจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลวงปู่ใหญ่ก็บอกพระกับเนนและก็ชาวบ้านญาติโยมว่าท่านเองก็ได้พิจารณาดูแล้วอยากเลือกดอนธาตุให้เป็นวัดนะครับเมื่อหลวงปู่ใหญ่ปรารบแบบนี้ ก็อยากจะสร้างดอนาธาตุขึ้นเป็นวัดกรรมฐานเพราะว่ามีความเหมาะสมคณะสัทธาญาติยมต่างโมทนาสาธุการและผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งประชาชนต่างยินยอมพร้อมใจยกที่ดินบริเวณเกาะดอนถวายให้กับหลวงปู่ใหญ่เนี่ยได้สร้างวัดต่อไปนะคะพ่อใหญ่จอมพันน้อยค่ะท่านได้ถวายบ้านเก่าหลังหนึ่งซึ่งก็มีพ่อใหญ่มาจุ้ยผลสิทธ ซึ่งภายหลังปู่ใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าชื่อพ่อใหญ่มงคล อย่าเรียกว่าพ่อแญ่มาจุย้ยเลยก็ได้ถวายบ้านหลังหนึ่งและก็ชาวบ้านอีกหลายคนก็ร่วมถวายก็เลยได้บ้านเก่าหลายหลังแล้วชาวบ้านก็ได้พากันมาปลูกสร้างกุฏิสร้างขึ้นหลายหลังเลยทีเดียวค่ะจนพอถึงเทศกาลมาคะบูชาชาวบ้านก็ได้ช่วยกันขนดินขนทรายมาก่อเจดีถวายวัดซึ่งต่อมาทรายกองนั้นก็ถูกนํามาใช้สร้างพระพุทธไสายาสน์โดยมีพระอาจารย์ดีเป็นช่างปั้นพระพุทธรูปในครั้งนั้นนะคะ หลวงพ่อโชติอาภักโคได้บันทึกการสร้างพระพุทธสายญาติว่าท่านพระอาจารย์คำภายแห่งวัดป่าชีทวนได้เล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นท่านยังเป็นสั ม, มเนนอยู่เมื่อได้วัสดุก่อสร้างมาพร้อมแล้วพระอาจารย์ใหญ่ท่านก็กําหนดเอาตรงลานที่ใช้เป็นสาลาชั่วคราวเป็นที่สร้างพระแม้จะได้มีการคาดค้านจากลูกศิษย์ลูกหาว่ามันใกล้ตะลิ่งแม่น้ํามากกลัวว่าต่อไปเนี่ยน้ํามันจะซาะตะลิ่งพังมาถึงเร็ว แต่องค์ท่านไม่ยอมค่ะโดยให้เหตุผลว่าตรงที่กําหนดจะสร้างพระนั่นแหละเป็นพระธาตุอังคารธาตุเท่าฝุ่นพระบรมศาสดานะคะแต่เดิมที่สุดลงไปนั้นซึ่งพังทลายแล้วอย่างไม่เหลือซากจึงได้ให้สร้างพระพุทธไสายาสน์ครอบเอาไว้เป็นสั ญ, ญลักษณ์สำหรับกราบไหว้ต่อไปและเมื่อเป็นความประสงค์ขององค์ท่านเช่นนั้นก็เลยไม่มีใครคัดค้านอีก ตลิ่งริมฝั่งแม่น้ํามูลตรงที่ประดิษฐานพระพุทธไสายาสนปัจจุบันก็ยังคงสมบูรณ์ดีอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้นะคะไม่เห็นน้ำกัดเซาะตลิ่งพังตามที่ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ชาวบ้านวิตกกันเลยค่ะและต่อมาเมื่อเริ่มมีการสร้างพระพุทธไสายาสนที่วัดดอนธาตุเสร็จเรียบร้อยเป็นเวลาใกล้จะเข้าพรรษาหลวงปู่ใหญ่ก็เดินทางกลับไปที่วัดบูรพารามในเมืองอุบล แล้วก็กลับไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านข่าโคมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนพระอาจารย์ดีฉันโนพร้อมพระเนนที่เหลือคะ่ะก็กลับไปจำพรรษาที่วัดภูเข่าแก้วในตัวอำเภอพี่บุญมังสาหารซึ่งเป็นวัดเดิมของท่านในปีนั้นเกิดดินฟ้าอากาศแปรปรวนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็เลยก่อให้เกิดความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงประชาชนชาวไร่ชาวนาต่างเดือดร้อนกันเป็นจานวนมาก ฝ่ายพระอุปชาพรห ม, มานะคะแล้วก็บันดาพวกมิจฉาทิฏฐิค่ะก็ได้ชฉวยโอกาสกล่าวร้ายโจมตีหลวงปู่ใหญ่เสาแล้วก็บันดาสิทธิกรรมฐานของท่านบอกว่าที่เกิดฝนแรงนี่ก็เพราะพระอาจารย์เสามาสร้างพระนอนที่ดอนธาตุนี่แหละพระนอนขวางฟ้าขวางฝนอยู่ทาให้ฝนไม่ตก ประชาชนบางส่วนหลงเชื่อค่ะก็เลยได้ทำการยกพวกไปที่ดอนธาตุเพื่อทำลายพระพุทธรูปแต่คงไม่กล้าทำลายองค์พระทั้งหมดนะคะเพียงแต่มีผู้ขึ้นไปทุบจมูกพระให้เสียหายเอาเป็นเคล็ดว่าทำลายพระพุทธรูปที่นอนขวางฟ้าขวางฝนเรียบร้อยแล้วต่อไปฝนคงจะตกไปตามปกติ แต่ว่าฝนฟ้าหาได้ตกตามที่ผู้นำกลุ่มนี้ได้บอกไว้ไม่บางคนเกิดความสำนึกผิดเสียใจและก็กลัวบาปจากความโฉดเข่าเบาปัญญาของพวกเขาในครั้งนั้นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่ากรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบุคคลทำกรรมใดไว้ผลก็ย่อมตามสนองในไม่ช้าก็เร็วนะคะ เหตุการณ์ในครั้งนั้นต่างประจักษ์แก่ชาวบ้านในละแวกตำบลระเวตำบลทรายมูลตำบลคันไร่เรื่อยมาจนถึงอำเภอพี่บุร์มังสาหารเป็นอย่างดีก็คือหลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะก็มีข่าวว่าพระอุปชาพรมมาไหลาตายค่ะลูกศิษย์ลูกหาเห็นท่านตื่นสายผิดสังเกตก็เลยได้พังประตูกุฏิเข้าไปดูปรากฏว่าท่านเองมอรณภาพนอนตัวแข็งทื่อไปแล้ว บันทึกของหลวงพ่อโชติเขียนไว้นะคะบอกว่านอกจากพระอุปชาพร ม, มาบ้านระเวแล้วยังมีบ้านคันไรอีกคนหนึ่งนอนไหลตายเช่นกันและได้ข่าวว่าคนที่ไปทุบจมูกพระนอนนั้นก็โดนยิงตายใกล้ควายที่ถูกใครก็ไม่ทราบขโมยไปมาขโมยมาฆ่าชำละเนื้อทิ้งไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในหนังสืออาจารย์พิสิทธิ์เขียนไว้ บอกว่าส่วนผู้ที่ทุบจมูกพระพุทธศสายาสนั้นกระโดนฟ้าผ่าตายทั้งนี้ไม่มีเขาว่าฝนจะตกก็สรุปค่ะคุณผู้ฟังว่ากรรมตามสนองทันตาเห็นนะคะย้อนหลังไปก่อนการมรณภาพของท่านพระอุปชาพรมมาไม่นานประมาณหนึ่งเดือนหลวงปู่ใหญ่สาวเนี่ยท่านจะพูดให้ลูกศิษย์ได้ยินเสมอว่าสงสารอุปชาพรมาแท้เด้นะคะแล้วก็มีการสมโพธพระพุทธสายาสค่ะ พอออกคันสาประวรณาในปีนั้นเรียบร้อยหลวงปู่ใหญ่ก็คือหลวงปู่เสากันตะสีโลเนี่ยแหละนะคะท่านก็ได้ประกอบพิธี ะะที่ทำด้วยพร้อมกับสิทยานุสิ์ของท่านไม่ว่าจะเป็นเนนชอีอุบาสุกอุบาสิกาและก็ผู้ติดตามจำนวนมากจากบ้านขาโดมบ้านขาโคมขออภัยค่ะสมทบกับคณะของท่านพระอาจารย์ดีจากวัดภูเข่าแก้วก็เดินทางกลับมาที่เกาะดอนทาตเพื่อประกอบพิธีสมโพธพระพุทธไสายาสิที่ได้สร้างไว้นค ะ, ะโดยครั้งแรกที่ทุกคนเดินเหยียบย่างขึ้นไปบนเกาะเนี่ยเห็นพระนอนดนทุบจมูกทิ้งต่างรู้สึกสลดหดหู ก็นึกในใจแล้วก็ได้แต่บน่นเบาๆ บ, บอกทําไมถึงกล้าทําแบบนี้ น, นาะนรกแท้ๆทีนี้พระอาจารย์ดีเนี่ยผู้ที่ปั้นก็ได้พูดขึ้นว่าโอ๊ยพระนอนไปทําอะไรให้ทําไมเขาถึงทําแบบนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเหรอหลวงปู่ใหญ่เสาค่ะท่านก็ดูสงบเย็นกว่าเพื่อนที่สุดเลยต้องหัวเราะในลาคอแล้วก็พูดยิ้มๆบอกเห็นไหมอาจารย์ดีทําสวยเขาก็เลยมาทุบทิ้งถ้าหากว่าทําใหม่แล้ว มันสวยเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่มีใครกล้ามาทุกทิ้งดอกนะคะนี่ก็เป็นคำพูดของหลวงปู่ใหญ่หรือว่าหลวงปู่เสากันตาสีโรนะคะซึ่งท่านก็พูดด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็นด้วยรอยยิ้มด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเมตตานะคะ พระอาจารย์ดีก็เลยได้ทําการโบกปูนปั้นเสริมเติมต่อจนพระสมบูรณ์งดงามเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็จัดพิธีสมโพธิขึ้นโดยหลวงปู่ใหญ่เนี่ยได้นั่งประคเป็นองค์ประธานแล้วก็นําคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก็มีการแสดงธรรมแล้วก็ปฏิบัติสมาธิภาวนาพระพุทธสายญาติที่วัดดอนธาตุก็เลยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้กราบไหว้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับประวัติของพระอาจารย์ดีในช่วง16ปีสุดท้ายตั้งแต่ปี2400 86เรื่อยมาจนถึงปี2502ซึ่งเป็นปีที่ท่านได้มรณภาพกลับไม่พบบันทึกไว้ในที่ใดทราบแต่ว่าในปัจชิมวินัยพระอาจารย์ดีมีปัญหาด้านสุขภาพค่ะท่านเจ็บป่วยบ่อยหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของท่านได้พาท่านไปรักษาด้วยอที่วัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อพุทธท่านก็เล่าเรื่องที่ท่านเนี่ยได้ดูแลพระอาจารย์ดีในบ้านปลายชีวิตของท่าน ะะบอกว่าหลวงปู่ดีฉันโนพูดถึงหลวงพ่อพุทธบอกว่าไม่ทราบว่าเราจะไปตายที่ไหนลูกศิษย์คนไหนก็ไม่พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ก็มองเห็นแต่ลูกศิษย์เอกของเราก็คือพระมหาพุทธที่วัดป่าแสนสําราญ น, นี่แหละพอจะพึ่งพาอาศัยได้เราได้ยินแล้วก็งงบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่ดีซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพุทธพอท่านป่วยหลวงพ่อก็นํามาดูแลรักษาที่วัดป่าแสนสําราญจนกระทั่งแข็งแรงแล้วก็เดินได้ค่ะ จนพอประมาณตีสี่เกือบตี5ได้ยินเสียงขากเสลจผิดปกติหลวงพ่อก็เลยรีบไปพอไปท่านก็มองซ้ายมองขวาก็เลยรีบไปประคองร่างของหลวงปู่ดีค่ะท่านอาจารย์ครับท่านเคยสอนผมว่าเบนจะขันเป็นของโลกอยาบล่อยวางเบนจะขันเสียกำหนดจิตรู้ที่ผู้รู้ ท่านก็นิ่งเงียบไปประมาณสัก5านาทีท่านก็ใจขาดนะคะจนกระทั่งมรณภาพลงที่นั่นเมื่อเวลาตี5ครึ่งของวันที่8เมษายน 2,502 นอในอริยบทท่านนั่งอิงหมอนใหญ่คล้ายกับนั่งเอนกายพักผ่อนตามปกติ ซึ่งสิริรวมอายุได้67ปีและหลังจากนั้นอีก1ปีคณะสิทธิยานุสิ์ก็เลยทำการชาปนากิจระหว่างวันที่10ถึง14มีนาคม2503นค่ะนี่ก็จะเป็นชีวประวัตินะคะแล้วก็จริยวัตรอันงดงามแล้วก็เรียบง่ายนะคะถึงที่ไปที่มาของการได้มาเป็นพระทางฝ่ายธรรมยุทธนะคะว่ามาจากไหน แล้วภูมิลำเนาของพระอาจารย์ดีฉันโนเนี่ยท่านเป็นคนที่ไหนแล้วก็เรียกว่ามีปฏิปทาที่งดงามมากพร้อมด้วยฝีมือทางช่างนะคะเรียกว่าเป็นพระที่สามารถที่จะปั้นอะไรก็สวยเป็นช่างไม้ด้วยนะคะเป็นช่างหนังด้วยแล้วก็ได้มีวาสนามาเจอเจอกันกับพระอาอาจารย์ใหญ่ทางสายพระธรรมยุทธ์หรือว่าพระป่าก็คือ หลวงปู่สาวกันตาสีโรนะคะแล้วก็หลวงปู่มั่นนะคะภูริทัตโตก็เลยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่สาค่ะก็เลยสร้างปรากฏการณ์ที่ทุกคนนะคะในที่นั้นที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอของพระอาจารย์ดีเนี่ยถึงกับงงเลยนะบอกว่าตามที่จริงแล้วหลวงปู่ดีหรือว่าพระอาจารย์ดีฉันโนเนี่ยท่านเก่งท่านมีชื่อเสียงถึงกับยอมถวายตัวเพื่อที่จะเป็นลูกศิษย์ ของหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่สาวได้อย่างไรนี่ก็จะเป็นอีกบทหนึ่งนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกับธรรมะพลิกแผ่นดินของหลวงปู่มั่นและหลวงปู่สาพร้อมทั้งประวัติและปฏิปทาของพระอาจารย์ดีฉันโนนะคะวันนี้อาจจะยาวสักหน่อยหนึ่งนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของบีแล้วขอบคุณทุกๆ ท, ท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ